50 languages. s i x a t e u Ibu วสัสดุรุตุมัตตุเบสิกเกคัลลาฤาดูใบไม้ร่วงและฤาดูหนาว شرط ร, รุตุมัตตุเฉลีกล่กัลลาฤาดูร้อนอากาศร้อนบ เ, เบสิกเกคลบชอรุตเตดพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน เบลลสุริยรกษ์ชสุตานในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นเบสลดลนาวุฮวาเซวนิูุตเวฤดูหนาวอากาศหนาวชัลีลลชลอุในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก ชฉลาลดัดลหิมะปีดุตเตเดหรือมะเล่บรุตเตเในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้านเฉลี่ยกาลดัด ล, ลี่มนลลันเอี่ยลี่อีรัลูาุตเตเวหนาวเฉลีอาุติฝนกาลังตกมลบรุติมีลมแรง กาลีบีสุตติเดอบอุอบอ่นเซก์อากุติเดแดดจัดสูรย aprakash สุตติดาเนท้องฟ้าปโปร่งฮวามานาฮิตาครวากิเดวันนี้อากาศเป็นอย่างไร อินु हवा วा न มาे ग ि द ेวันนี้อากาศหนาวอินดูेฉลียกิเดวันนี้อากาศอบอุ่นอินดูเซเคียกิเ